อุปถัมภ์มิสัจฉนาธรรมกับท่านหลวงตาแาละหลวงศักดิ์ีนาเรนยูตอนตะระยา น, นิสและยูนิโสมนสัตติาคือทั้งหมดของพระมหาจางตอนที่หนึ่ง น, นั่งก็ได้นั่งฟังก็ได้นั่งคุยก็ได้ต้นเตอร์มันเขาเรียกว่าต้นเจตไอ้ต้นเจตตัวเนี้ยครูบาอาจารย์เรียกว่าใจ อันนี้ถ้าทางทางของเซมเนี่ยเขาเรียกว่าขเขาเจ็ดเดิมแท้แต่เมื่อคุณกลับเขไปสู่ต้นจิตสมบูรณ์คุณพบต้นจิตแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีวิธีคิดที่จะวางจิตอีกนิดเดียวแล้วก็คือไม่เสร็จหมดละคือไม่ไม่ไม่เอาทั้งตัวสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็ตัวผู้รู้แต่ตอนนี้เรายังเข้าไปไม่ถึงภาพนรู้แต่เราเข้าใกล้ไปเรื่อยๆด้วยการหดหดความหลงมาเรื่อยๆ กไม่เข้าใจท่านไม่เข้าใจเอามาใหที่ให้ให้ให้ละเอียดอธิบายอธิบายแต่มันก็ยังมีความคิดอยู่ใช่ไหมมันก็มีความสักอไม่ไม่ท่นไเข้าใจท่นักละเอียดมันจะละเอียดคิดเพราะว่าท่านอธิบายยังตีวงกว้างเกินไปผมบอกว่ากรดกระสอบนั่ก็คือตัวนผมคิดเรื่องกับข้าวหน้ากินจังเลยแล้วผมเฮ้ยพอเฮ้แป๊บเนี้ยมันหยุดคิดเรื่องกับข้าวหน้ากินจังเลยแต่มันมาคิดว่าเอ้นี่กู ละกิเลสตัวนี้ได้แล้วเหรอ่าเงี้ยสมมติงเงี้นะพอเฮ้ยนี่กูก็คิดในธรรมนี่ว่ะมันก็หยุดแวบหนึ่งแล้วผมก็ไปคิดเอ๊ะเดี๋ยวไปนั่งแล้วเฮ้ยมันก็จะพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นความปกติความคิดกับตัวธาตุรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นพอมกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเห็นก็คือเห็นความดับของอารมณ์ความรู้สึกนิสัยได้ถี่ยวมันนี่เนี่ยนี่นะนี่เพราะผมเห็นความดับของอารมณ์ความรู้สึกนิสัยได้เฉี่ยเนี่ย การหลงเดินผมหลงไปหนาทีเนี่ยกลายเป็นหลงหลงสั้นไปเรื่อยๆจะนึกว่ามันขยับตัวรล้รู้ขยับตัวรับรู้เงี้ยหาซึ่งตอนนี้มันขึ้นกับกำลังด้วยนะครับสมมติถ้าเราเราเหนื่อยเหน่อยเราเบียดเบียนเนี่ยฮะมันหลงเดินไม่ค่อยทันแต่ถ้าเราเรานอนหลับเย็นหรือนั่งสมาธิสะเทืนดีกำลังแล้วจิตมันตื่นเนี่ยมันไวฮะขยับตัวรับรู้ขยับตัวรับรู้ขยับตัวรับรู้อย่าเงี้ยอันนี้คือกำลังหดเข้าไปจูดต้นจิตกำลังหดก็ไปจูดจิตต่างๆ ซึ่งเมื่อมันหดเข้าไปถึงที่สุดของมันเนี่ยความคิดมันเกิดไม่ได้เพราะถ้ารู้มันความคิดเกิดไม่ได้จริงเกิดได้มันคืออิสระออกมาเไงยังความคิยังเกิดอยู่ผมแม้ยังไปไม่ถึงตรงนั้นบอกอธิบายไม่ได้มันเป็นยังไงแต่ตอนแรกสิ่งที่ผมบอกได้ก็คือสภาวะหลวงของผมแม่มันถีเข้ามัามากๆแล้วผมก็โลภทีทำทีโลภถีทำทีโลภถีทำที อืมแต่มันก็หดแคบเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งหน้าที่ของผมก็คือพยยามที่จะรู้ตัวอยู่ตลอดก็ฝึกต่อไปใช่แต่นั้นมันเข้าไปถึงต้นจิตุของมันได้ครับกดซักเลยนะกดซักเลยเจี๊ยวเลยผมก็จะฟังหรือว่าบูรอธิบายถึงาถูกเขาเขาตอบมาสถึงตอนนี้ไอ้ก็ซักอีกกดซักอีกเลยผมเลยถามต่อจากที่เขาบอกเนี่ยเขาว่า เราก็รู้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือว่าก็รู้ไปเรื่อยแล้วแล้วแล้ก็รู้เท่าทานความหลงนั่นแหละก็ฝึกอย่างนั้นไปเออู้อทานความหลงอ่ะคือเวลาหลงเนี่ยมันก็หลงไปคิดคิดเรื่องโลกโลกคิดเรื่องโลกทุกอย่างฮะที่เป็นเกี่ยวกับโลกโลกทั้งหมดอ่ะก็คือเอ่ออะไรก็ตามที่คิดเกี่ยวกับเรื่องโลกทั้งหมดอ่ะที่เราหลงไปคิดเองอ่ะมัหลงไปเห็นหลงไปคิดมันก็เป็นแอ้นั้นอ่ะก็คือหลงแหละแล้วก็รู้เท่าทานความหลง พอมันมันคิดปุ๊บเราก็หลงตันแรกเนี่ยเราจะหลงคิดยาวพอเรารู้ตัวเรารู้เราฝึกสติของเราเนี่ยให้รู้ทันเร็วๆเนี่ยมันจะสั้นลงมันจะสั้นลงเรื่อยๆจะสั้นลงเรื่อยๆจะสั้นลงเรื่อยๆคือมันคิดเพลินหลงคิดเพลินเป็นนานนานแล้วเนี่ยพอรู้ตัวเนี่ยการที่หลงเพลินคิดเนี่ยมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงมาเรื่อยๆสั้นลงมาเรื่อยๆสั้นลงมาเรื่อยๆสั้นลงมาตอนนี้เวลาพอมันสั้นลงไปแล้วเนี่ย มันจะกลับมาอีกเพิ่มางา น, นคือมันจะมาคิดเรื่องเรื่องธรรมเพราะว่าพอท่านคิดเรื่องโลกโลกเนี่ยแล้วท่านเริ่มรู้ทันเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่จะเข้าสู่ต้องการที่จะปฏิบัติทางธรรมแล้ว<ม>ท่าจะปฏิบัติทางธรรมเลยมันเพิ่ ม, มาจาับคนที่เป็นโลกเนี่ยตอ น, นแรกโลกอย่างเดียวไม่สนใจธรรมก็เลยมีใจคิดเรื่องโลกโลกมือยาวยาวเยาว์ยา ว, ยาวมันไม่คิดจะรู้ทั้งท่านแต่พอพอท่านคิดจะปฏิบัติธรรม มันก็เลยมีสิ่งที่เพิ่มกับมันนอกจากโลกแล้วก็มีธรรมนอกจากโลกมันเหมือนกับมือซ้ายกับมือขวาอะไกานเป็นสองมือ <S <S เดิมเนี่ยคนเป็นโลกในสมมติเรามือเดียวก็คือมือมือข้างมือข้างขวาข้างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นโลกนี่เป็นโลกก็คือจะเข า, าก็คิดคิดไปเรื่อยจนกว่าจะมีเรื่องใหม่ไหมเขาคิดเขาก็เปลี่ยนจากเรื่องนี้แล้วมาคิดเรื่องใหม่แต่ก็เป็นเรื่องโลกทั้งหมดเรื่องโลกโลกทั้งหมดเรื่องโลกอะไรเรื่องขอบคุ้ยเรื่องเรื่องตำแหนง่งราบยศเรื่องสมบัติพัฒฐาน เรื lifting, monsters, well, ่องความร่ mm ํารวยเรื่องอะไรต่างอเรื่องที่ดินเรื่องอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพอะไรต่างนี่ก็คือโรคทั้งหมดเรื่องโรคเรื่องจักรวาลก็คือโลกทั้งหมดวันนี้เวลาเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนเรื่องเพราะเขารู้ตัวฐานคือมันมีมันมีเรื่องเปลี่ยนใน้คิดมีเรื่องเปลี่ยนให้มาดูจะเปลี่ยนไปดูโทรทัศน์เปลี่ยนไปฟังเพลงเปลี่ยนไปเล่นไลน์เปลี่ยนไปเล่นอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนไปอ่านหนังสืออันเนี้คือมีเรื่องเขาเปลี่ยนเขาจึงเปลี่ยนแต่เขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะรู้ตัว นี่คือเขาอีพวกนี้เป็นโลกสุดๆเป็นโรคสุดๆไม่มีโอกาสพ้นทุกข์แต่คนที่คิดว่าจะมาปฏิบัติธรรมให้มันพ้นทุกข์เนี่ยมันก็จะเพิ่มเหมือนกับเพิ่มมือซ้ายมาอีกมือหนึ่งเดิมนี่มีแต่มือขวาเป็นโลกต้องมาคิดเรื่องธรรมอีกอันคือตอนนี้เริ่มรู้เททันคือมันคิดเรื่องโรคพว่าันรู้ทันมันคิดเรื่องโรกไปแล้วก็รู้ท่ทันแต่กว่าจะรู้ท่ันพุกใหม่ๆเนี่ยมันยาว มันยาวก็รู้เท่าทันแล้วมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงมันก็มันก็จะมารู้เท่าทันเรื่องเรื่องโลกเนี่ยให้สั้นลงไปเรื่อยๆเวลาคิดยาวหลงคิดยาวก็รู้เท่าทันหลงคิดยาวรู้เท่าทันหลงคิดยาวรู้เท่าทันมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงเข้ามาเรื่อยๆแต่มันจะมีเพิ่มการคือมันจะหลงไปคิดเรื่องธรรมหลงไปคิดเรื่องธรรมเรื่องจิตเรื่องความพ้นทุกข์เรื่องนิพพานเรื่องธรรมเรื่องสภาวะธรรม เรื่องโสดาเรื่องจะบรรลุโสดาเรื่องบรรลุสกภาคาณาคาอรหันเรื่องจะสิ้นสักยัตทิฏฐิหาทางพยายามจะสิ้นสักยัตทิฏฐิสิ้นวิจิกิจฉาสิ้นสีระตัมมาสิ้นสามตัวอย่างที่ดรเครือพยายามพยายามอย่างเนี้ยมันก็จะ e, หลงหลงอยู่กับหมกมุ่นอยู่กับเรื่องไอ้ไอ้ความที่เรื่องโลกก็เริ่มทำเรื่องโลกก็เริ่มทำแต่นี้มันก็หลุดไปสองมือเลยแต่เนี้ยหลุดไปสองข้างสองฝั่งเลยแต่เนี้ยไปโลกเดี๋ยวก็มาทำเดี๋ยวคิดเรื่องโลกเดี๋ยวคิดเรื่องทำแต่ก็รู้ทัศน์ทั้งสองด้านนี <Moscow out> <master> ่แหละ ตัวนี้เพอฝึอมกมากๆข้อเนี่ยมันก็จะไปอโลกเนี่ยมันก็จะคิดคิดหลงคิดไปแล้วก็จะรู้ตัวสั้นแล้วก็จะสั้นลงทางธรรมก็จะหลงคิดไปนานแล้วก็จะสั้นลง <toe. S 2> ไม่ไหมายเนี่ยไม่หม่เนี่ยนะละจากทางโลกมาแล้วเนี่ยมาคิดาทางธรรมเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวอีกคือหลงคิดาทางธรรมยาวมากเลยทั้งวันเลย <To. S 2> แล้วไม่รู้ว่าไอ้ความคิดาทางธรรมเนี่ยก็หลงค <irsiniz. S 2> ิดหมกมุ่นเกี่ยวเรื่องธรรมเนี่ยก็หลงคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องโลกเนี่ยก็หลงแล้วก็ พอพวกที people, so ่มาฝึกใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่าไอ้ที่เราเนี่ยไม่คิดหมกมุ่นทั้งโลกเนี่ยเราไปคิดเราไปคิดทางธรรมเนี่ยไม่หลงแต่ความจริงอ่ะแท้จริงหลงคือหลงคิดหมกมุ่นทางธรรมทั้งวันเลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นเป็นความหลงอ้าวพอมีคนมาชี้ว่านี่ก็หลงนะมันก็เลยอ้าวพอหลงไปคิดเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเกี่ยวกับเรื่องการบรรลุธรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องวิธีการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับเรื่อง หลวงปู่องค์นั้นสอนว่าอย่างนี้วัดองค์นั้นอะนี้สํานักนั้นสอนอย่างนี้ตอนนี้มกมุ่นแต่เรื่องไหนไอ้ความคิดเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ ค, คือมาทางธรรมอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับธรรมเนี่ยคือมาทางธรรมก็หมกมุ่นไปคิดมันก็เอาเอ๊ะนี่มันก็ตกไปอีกฝั่งนึงนี่คือหลงมกมุ่นไปทางโลกเอาก็หลงหมกมุ่นมาแต่คิด ท, าทาําเอากระฝังฝั่งอัเนี้แต่นี้มันก็เลยเออมันรู้ ท, ทันผมมันไปหลงหลงหลงไปคิดมกมุ่นทางโลกหลุดมกมุ่นทางธรรมก็ ก็รู้ตัวทานั้งสองฝั่งแล้วก็ชั่นหลงทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้เริ่มชั่นลงคือหลงไปคิดหมกมุ่นทางทางโลกทางธรรมก็ค่อยๆสั่นลงสั่นลงสั่นลงชั่นลงคือไอ้ที่มันหลงน่ะหลงไปคิดปุ๊บก็เริ่มรู้ตัวรู้ตัวเลยมันก็เลยก็พอจะเริ่มหลงไปคิดทางโลกหลงไปคิดทางธรรมพอมันเริ่มคิดก็รู้ตัวคตอนนี้ยมันก็เลยเข้ามาหาต้นจิตเนี่ยที่หลวงปู่มั่นทันวะเข้ามาหาต้นจิตเนี่ยต้นจิตไอ้ต้นจิตเนี่่่พอมมมัเเรรริิิิคคดดปู๊้ตว หมกบุญไปทางโลกเริ่มคิดหมกมุญไปทางธรรมพอเริ่มต้นปุ๊บมันก็เริ่มรู้ตัวมันก็พลิกปุ๊บกลับมาเป็นผู้รู้พอเริ่มคิดปุ๊บมันก็รู้ทารพิษกลับมาเป็นผู้รู้ว่ามันกจะไปคิดอะไรเหลือแต่รู้รู้อยู่กับที่รู้อยู่กับที่ไม่หลงไปเริ่มรู้อยู่กับที่นี่ก็หาต้นจิตแล้วเริ่มก็หาต้นจิตแล้วต้น๋ยวเราก็หาต้นจิตต้นจิตกิดต้นแหละเนี่รู้ต้นจิตกิดต้นพ้นไวยหวนที่หลวงปู่มั่นท่านว่าเนี่ยก็เข้ามาหาต้นจิตแล้วต้นจิต ตอ น, นี้พอมันจะมันจ ะ, นจะพลิกไปทางคิดหลงไปคิดทางโลกหลงไปคิดทางธรรมก็เริ่มรู้ตอนนี้ไอ้ตัวที่มันมารู้รู้ที่ต้นจิตไว้เนี่ยตอนนี้มันเลยกลายเป็นเหมือนกับมันจ้องไว้เลยตนนัวนี้ไอ้ตัวสติเนี่ย <c oughs> ไอ้ตัวสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเนี่ยมันกลายมาเป็นจ้องเลยจ้องเพราะว่าอะไร <c oughs> เพื่อจะให้รู้ท่าทานต่อที่มันจะหลงคิดไปนในโลกหลงคิดไปนในธรรม หลงมันจะหลงคิดในทางโลกหลงคิดในทางทไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสติที่มันขาดไว้เนี่ยไอ้ตัวสติอสัมภิัญญาหรือสติปัญญาที่มันขาดไปมันเลยเริ่มมีกําลังมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นมีกําลังมากขึ้นเลยกําลังของมันเริ่มสูงสุดเพื่อไม่ใกระทั่งมันไอ้ไอ้ที่มันจะหลงไปในความคิดโลกเนี่ยหลงไปในความคิดทำมันไม่มีเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีกําลังกําลังที่ที่จะดูรู้เห็นอยู่มันมีกําลังดูรู้เห็นอยู่ไอ้ตัวเนี้ยจนมันเหมือนกับว่ากิเลสมันไมม่ี กิเลสที่จะไปทางโลกกิเลสที่จะไปทางธรรมเนี่ยมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยจนหลงลงว่าตัวเองเนี่ยสิ้นกิเลสแล้วเพราะว่ามันไม่มีหลงที่ไป็นทางโลกหลงที่ไปในทางธรรมเลยมันก็รู้ที่ว่าตัวเองอะสิ้นกิเลสแล้วแต่การที่ไอ้สติการที่สติปัญญาเนี่ยหรือสติสัมปชัญญะมันรวมเป็นหนึ่งแล้วมันมีอํานาจมากเลยเรียกว่าเป็นมรรคเลยเหมือนกับเป็นมรรคสมังคีมรรคสามมคีเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเนี่ย มันเลยทำให้มันหลงคิดเป็นโลกหลงคิดเป็นธรรมไม่ได้แล้วก็ไม่มีกิเลสนานหลายปีแต่ไอผู้ที่รักษาตัวเองคอยรักษาตัวเองไว้ไม่ให้หลงไปในหลงปรุงแต่งในโลกหลงปรุงแต่งในธรรมแล้วก็เราบริสุทธิ์เราบริสุทธิ์เราไม่มีกิเลสเราไม่มีกิเลสมานานหลายปีไม่มีกิเลสแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวที่รักษาใจของตัวเองไว้อ่ะตัวที่เอคอยรู้ตลอดเลยความรู้เนี้ยไม่หายไปเลยไอความรู้ที่ว่ามันจะคิดไปปรุงแต่งโลก ปรุแต่งไม่หายเลยไอ้ตัวเนี้ยมรรคการเป็นบล็อกไว้เลยมันรรคการติกเกเลตตัเองตัวมัน่ะเข้า hmm. ใจไหมมรรคการกติเกเลตตัวเองโอแหละมันพยายามรักษาตัวมันเองไงรักษาใจของตัวเองวิกิตตั้งเดิมของตัวเองอไม่ให้ยิ่งเจ้าถ้งมันมาเห็นว่าไอ้ที่เอ็มรักษาเนี่ยยังเหนื่อยยังเป็นภาระยังเครียดยังทุกข์มากเลย เอกว่าไม่มีกิเลสแลไม่มีกิเลสไปทั้งโลกไม่มีกิเลสทั้งธรรมไม่ปรุงแต่งทางทังโลกทั้งธรรมแต่การที่ยังพยายามรักษาตัวเองไม่ให้มีกิเลสเนี่ยมันทุกข์มากเลยมันทุกข์มากมันเป็นอย่างวิชานตอนเนี้ยวิชานตอนนี้คือพอมันเหนื่อยกับการที่การที่ที่จะต้องรักษาตัวเองพอวิชานเครียดปุ๊บปล่อยนิดเดียวเทียวเทียวนิจเดียวทีดด่วิชานปล่อยนะนิดเดียวเองนะแค่ปล่อยความรู้แค่นั้นแหละ จิตเดียวนั่นแหะคิดปรุงไปในตะเลิดไปในโลกไปในธรรมเลยแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็พยายามที่จะใส่กําลังของความรู้เนี่ยเข้าไปใส่กําลังของสติปัญญาในการในการจีดในการคิดคนในการทํำเขาจใส่เข้าไปสิ่งที่เพิ่มข้นมาคือมันไม่ไม่ปรุงเพื่มเพลินเจริญใจไปในโลกปรุงเพิ่มเพลินในในธรรมมันก็เครียดเป็นความเครียดอยู่ข้างในเป็นความเครียด เครียดสะสมเป็นความเครียดเี็นอวหงุดหงิดเป็นความเครียดขวามหงุดนนไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจคือมันใช้แค่กับว่าใครกับว่าเราอยากจะได้อะไรแล้วมันรู้สึกเป็นอัดทับคล้องอ่ะรู้สึกอัดทับคล้องมึกจะได้ปิ้งบรรลุปฏิพานหรือว่าปิ้งอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาแล้วมันไม่ได้อย่างใจมันก็รู้สึกอัดทับคล้องพอพอนหน่อยเดียวตระหไปคิดเรื่องโลกแล้ตระหนึกไปคิดเรื่องธรามอีกแล้ว แต่พอก็กี้นหนักๆเข้าอุดอัดขับคล่องเครียดมันก็อยู่สลับอย่างเนี้ยนี่คือธรรมชาติเลยของการปฏิบัติแล้วก็เอมันเห็นในในภาชะทั้งมวลที่ทั้งจะบล็อกไให้มันมันไปคิดปงแต่งโลกบล็อกไหมมันคิดปงแต่งหมกมุ่นในทางธรรมบล็อกไอ้มันอยู่กับที่แล้วก็มันไม่ได้อยากใจ มันกดกริดขับก้องเลยเห็นไอ้พวกอะไรเนี้ยที่เราบล็อกไว้เนี้ยที่พยายามทุกอย่างเนี้ยว่าพยามพยาพยามพยาพยามนนาพยายามพยายามติดนล่นค้นหาพยายามเจ็กิจจะปรุงจะแต่งจะพยายามหาหนทางหาพยายามเลยมันเครียดมากเลยแล้วมันเหนื่อยมากเลยแล้วมันทุกมากเลยมันเลยวางหมดเลยเป็นไงเป็นกันมัอ่ะมันกลับสบายเลยมันกลับว่างเปล่าไปเลย มันเหมือนกับว่าเลยกลายเป็นไอไม้ไผ่อ่ะเลื่อยเข้าไปหาก็ไปจับจับผิวไผ่ข้างนอกเข้าไปเนื้อเนื้อไม่ไผ่เข้าไปเข้าไปเข้าไปอ้าวเลยไปเจอตรงกลางของไม้ไผ่ที่เป็นความว่างนั่นแหละต้นจิตแท้หรือต้นจิตจิตต้นดูต้นจิตจิตต้นพลหว่วยห่วนเนี่ยก็คือมันลู้เข้ามาล็ู้เข้ามาลู้เข้ามาจนมาถึงไอ้ต้นจิตนี่คือไอ้ตรงกลางของไม้ไผ่ คือเขาเรียกว่าสุญญตาคือตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกว่าคือมันว่างจากตัวตนผมพูดที่ไปยึดของผู้ที่ไปคอยเพ่งคอยจ้องคอยจัดการคอยคอยเบรคคอยห้ามมันว่างจากตัวต น, ปนไปเลยอืมคือบรรดับเนี่ยไอ้ตัณหาเนี่ยปัญหาที่ไปคอยจ้องคอยเพ่งคอยอะไรในความอยากผสมปนอยู่ในนั้นเนี่ยขับคลองใจแล้วไม่ได้อย่างอยากไปดิดลมไปค้นหาไปพยายามไปไปคิดไปนึกไ ป, ไปตึกไ ป, ไ ป, ต, กไปตองหาวิธีหาอะไรเนี่ย การวิธีมันเป็นจะเป็นหาหาหาหาหายุไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัณหาไะพอตัณหาดับปุ๊บอุปทานก็ดับผู้ประธานดับภพชาญก็ดับความทุกข์ที่มันอึดอัดขับข้องมก็เลยดับหมดเลยภพชาญก็ดับไปพร้อมมันก็เลยเป็นสุญญตาไงสุญญตาคือมันมันดับตัณหาดับอุปทานคือดับความเป็นตัวตนที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นที่เข้าไปกลัวไปกังวลว่าเดี๋ยวจะปรุงนี้เดี๋ยวจะปรงนี้เฮ้ ไม่ได้แต่ที่มันเป็นอัดขับคล้องมันมีตัวเข้าไปเสวยตัวเข้าตัวเราเข้าไปมีส่วนได้เสียมาอัดขับค้องพอมันสิ้นตัวเราก็มีส่วนได้เสียตัณหาเขเลยดับมันก็เลยเป็นศูนย์ยะตาน่ยนิพพานังประมังศูนย์ยังนิพพานังประมังสุขขังพอว่างหมดมันก็เลยว่างหมดว่าจากตัวตนว่าจากกิเลสตัณหาว่าจากอุปทานมันก็เลยเป็นความสุขความสุขไหมใช่วปะ เป็นความรู้สึกสุขที่ที่เป็นชาวชาวโลกเขาไปไปไปไปไมีอารมณ์สุขนไม่ใช่เป็นความสุขที่มันไม่ทุกข์ความสุขที่เกิดจากการไม่ทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขที่มีอารมณ์สุขหรือมีมีอะไรที่ไปจับให้เป็นสุขแต่เป็นเป็นความสุขที่มันสิ้นทุกข์มันเลยเป็นความสุขกินที่ว่านิพพานนางประมังศูนอย่างนิพพานนางประมังสุขขังเอ้ยอย่างนี้ว่าอรหันต์นั้นยังไปเสพสุขอะไรที่ใครมีคนโัวว่าต่อหน้าเลยพูดแล้วว่า ยังไม่ใช่ทั้งนันอ่ะนี่มันมันยังเป็นไปเสพสุขอะไรเงี้ยแต่ความสุขของท่านอ่ะจากการปล่อยวางหมดสิ้นแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขที่เป็นความสุขจากการสิ้นทุกสิ้นปูเสวยสิ้นผู้จิตมั่นถือมั่นมันเป็นความสุขเพราะสิ้นทุกไม่ใช่ว่าความสุขเพระไปยึดไปจับอารมณ์ไปจับอะไรให้เป็นสุขอม่ยอแบบไม่มีผู้เสพเออสุขแบบไม่มีผู้เสพนะที่คํานี้ก็ได้สุขแบบไม่มีผู้เสพขอย้อนไปที่ห้านาทีเมื่อห้านาทีเมื่อกี้ที่ว่าพร้อม มีผู้รู้ที่ที่ที่ที่เด่นอยู่อย่างเงี้ยใช่ตัวเดียวกับที่หลวงตาหมาบัวติดอยู่แปดเดือนนหมครับที่ท่านเล่าที่เทพให้ฟังไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราบัวทไมติดตรงนี้เราไม่ได้ติดตรงไม่ได้ติดตรงนี้ล้มปู่บัวน้องแสงล้งปู่บัวน้องแสงล้มปู่บัวปริปุโนครับที่ที่บัดนองแสงอะท่านเป็นอย่างท่านถ้ติดตรงนี้ยท่านติดมีผู้รักษาใจไหลูกตาหมาบัว อย่างบบ น, นักปบโนเนี่ยเป็นป่บานตาจะไปแก้ท่านบอกว่าท่านบอกว่ามีกิเลสแล้วแล้วใครละเป็นยังยังรักษาใจของตัวเองสงวนรักษาใจของตัวเองผู้ใดสงวนรักษาใจตัวเองไว้นั่นแหละคืออวิชชาใครยังสงวนรักษาใจตัวเองไม่มีกิเลสอ่ะนั่นแหละอวิชชาแล้วตอนที่รูกตามมหาบวัวท่านบอกว่าถ้ายังมีจุดหรือต่อมผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละนั่นแหละคืออวิชชาก็แล เราพยายามรู้ไว้ไงรู้รู้รู้รู้พยายามรู้ไว้ให้มันเนี่ยไม่ไม่ไปปรุงปรุงคิดทางโลกให้มพยายามไม่ไปปรุงคิดทางธรรมไอจุดหรือต่อมผู้รู้เนี่ยที่พยายามรู้ไว้เนี่ยมันเป็นมันเป็นอวิชชาถ้ามีจุดหรือต่อมผู้รู้ว่าตรงไหนเนี่ยเป็นอวิชชาที่ต้องตามมาบัวว่าแล้วก็ที่ในในรูปถ่ายของหลวงที่ที่หลวงตาหมาบัวพูดถึงหลวงปู่ลาวเสียนพประโตที่บอกว่า โอ้ถ้ารู้ว่าหลวงปู่ล่าบบลุอ่านก็ตอนที่ไปขึ้นไปเยี่ยมหลวงปู่ล่าที่บริษัทข่าวพูดเจ้าก่อเราเห็นหลวงปู่ล่าเขียนว่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายที่ทุกตามหาบุตท่านท่านท่าก่าวถึงหลวงปู่ล่านิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายที่ก็เอามาเขียนไว้ที่ใต้ลูก ของหลวงปู่ล้าเขียนมาประตูที่ทั่วไปที่ี่เผยแพร่ทั่วไปนิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานเหนือผู้รู้ขึ้นไปจนไม่มีที่หมายถ้าสิ้นไปยึดเอาผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนของเราหรือตัวเราเป็นผู้รู้ก็บรรลุพระนิพพานได้นานแล้วที่กานว่า อ, อันนี้นะคนยังเข้าใจผิดมากเลยคนยังเข้าใจผิดมากในการปฏิบัติ หรือที่บอกว่าหลวงปู่ดูนาตุโลที่บอกว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้หรือทำลายผู้รู้ใช่ไหมว่าไงนะพบผู้รู้ให้ทลายผู้รู้รพบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบิทอย่างแท้พบผู้รู้ให้ทลายผู้รู้พบจิตให้ทลายจิตจึงจะถึงบริสุทธิ์ถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตรงเนี้ย เดี๋ยวว่าแต่คนอื่นเลยเมื่อก่อนผมก็หลงเพราะอะไรรู้ก็ไม่ได้ไม่รู้ก็ไม่ได้พอรู้อยู่ก็เป็นอวิชชาแล้วพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะเข้าถึงจึงจะถึงความบริสุทธิ์ง ง, งงตอนนั้นเมื่อก่อนนี่งงหลายคนทิ้งไปเลย ไม่รู้เลยอยู่อย่างแบบว่าอยู่อย่างคนปกติทั่วไปไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้จิตไม่รู้ไม่รู้ไม่ต้องไม่สนใจจะรู้ทําไม่รู้จิตไม่รู้ทําแล้วไม่เพราะว่าอะไรบอกว่าให้ทิ้งผู้รู้ไงให้ทิ้งผู้รู้กนเลยทิ้งหมดเลยเลยไม่รู้อะไรเลยอยู่ยังไม่รู้อะไรเลยหลายหลาคนบางทีมาถึงมาหาผมแล้วก็บอกอย่างนี้เลยบอกว่าเนี่ยทิ้งหมดแล้วทิ้งผู้รู้หมดแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่ไม่เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจผิดเ คือมันรู้เนี่ยรู้อย่างที่ผมพูดให้ท่านฟังตั้งแต่แรกอะที่บอกว่ามันคิดอะไรทางโลกก็รู้มันคิดมาปุงแต่ทางธรรมก็รู้แต่ไม่มีผู้ไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้และไม่ยึดทั้งผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือไม่ไปยึดสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดก็คือไอ ร่างกายรวมทั้งร่างกายและอาการของจิตเนี่ยทุกความรู้สึกในคิดอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทุกขณะปัจจุบันที่ไปรู้เนี่ยไม่ยึดเอาเอินามขันเนี่ยหรือธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเรียกว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือเป็นตัวตนของเราเรียกว่าไม่ยึดเอาธรรมอารมณ์ที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยทางประตูใจเนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราคือไม่ยึดเอารูปประคันกับนามขันเนี่ย ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราหรือมายึดว่าเราเนี่ยเป็นรูปปัจขันหรือนามปัจขันที่ถูกรู้ได้เนี่ยที่ถูกรับรู้ได้เนี่ยว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรา <S <S และไม่ใช่ทิ้งผู้รู้ไปหมดเลยคือแล้วก็มันก็รู้แน่แน่รู้จนกระทั่งว่ามั น, บบม น, มนไม่มันไปคิดปรงแต่งโลกคิดปุกแต่งธรรมคิดปรงแต่งโลกคิดปรุงแต่มันรู้หมดเลยและรู้อาการของใจ่ทุกอาการในปัจจุบันไม่เคยไม่เคยหายเลยมันรู้อย่างนั้นตลอดเลยแต่ไม่มีผู้นอกจากไม่มีผู้มายึดสิ่งที่ถูกรู้คือ ทังภายนอกที่ทางตาหูจะมูกลิ้นกายใจยสิ่งที่ถูกรู้คือรูปรถกินเสียงสัมผัสแล้วก็ไม่ยึดไอ้อาการของใจไม่ยึดร่างกายไม่ยึดอาการของใจไม่มีผู้มายึดอาการของใจทุกความรู้สึกเมื่อกินในปัจจุบันและมันก็ไม่มีผู้มายึดวะเราเนี่ยเป็นคนรู้ตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัว ต, วตนของเรามันเนี่ยแค่อาศันแค่ไงบ้ามันรู้อยู่มันมันรู้อยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันแต่ไม่มีผู้มายึด รู้นั้นอะว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือตัวตนของเราหรือตัวเราอะเป็นผู้รู้แต่ไม่ใช่ว่าคือให้รู้สักแต่ว่ารู้แต่ไปสักแต่ว่ารู้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้เฉยๆคือพยายามไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ให้มันเฉยๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆแต่เข้าไปหมายเอารู้สิ่งที่ถูกรู้คือรู้อาการที่ถูกรู้ทุกขณะปัจจุบันคือทุกความรู้สึกในคิดอารมณ์ในปัจจุบันแล้วก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆให้มันรู้เฉยๆ แต่ว่ารู้เฉยๆหร อ, อแต่แท้ที่จริงเนี่ยคื อ, อยังไงคือรู้เนี่ยมันก็คือไม่มีใครมายึดรู้เลยมันรู้อยู่กันแน่แต่ไอ้รู้เนี่ยมันไม่มีใครมไม่มีความหมายว่าว่าใครจะมายึดรู้นี่อาจ น, นี้ว่ารู้เฉยๆนี่ยหมายถึงว่าอาศัยเพียงแค่ให้รู้แต่ไม่ได้มายึดว่ามายึดมายึความสําคัญของรู้หรือว่า เอาตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราคือมันก็รู้อยู่แต่ไม่มีใครมายึดตั้งสิ่งที่ถูกรู้แล้วมายึดตั้งผู้รู้ผมขอสรุปที่ที่ท่านตู่พูดมารู้ว่าอย่างไรผมรู้ความคิดทีๆบ่อยๆจนจนผู้รู้มีผู้รู้เนี่ยครับผมเดินเส้นนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่า เคยฝึกมาแล้วก็ก็ได้ไงก็ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไใจได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ยด้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไร้ได้ไ่ายด้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ไ้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ตด้ได้ได้ได้ได้ได้ได้หด้อด้ไดได้ได้ได้ได้ได้ไ้้ได้ได้ได้้ได้ได้ได้ได้้ไดได่ได้ได้ได้ได้ได้ไดได้ได้ได้ได้ไรู้ได้ได้้ เดิมทีผมยึดว่าสังขารเป็นตัวเราครับแล้วก็สัารอะไรคือความสัมพันธ์กายหร่อสัมพันธ์จิตเดิมยึดต่าสังขารในตัวเราเราคิดเออเราตัวเราเป็นคนคิดทีนี้พอพเราฝึกมีสติรู้มากๆเนี่ยเราเห็นความคิดเนี่ยผมไม่ได้แยกด้วยซ้ำว่าเป็นความคิดทางโลกหรือทางธรรมผมเห็นแต่ว่าพอมันเริ่มเผลอแล้วมันเริ่มจะไปปรุงเนี่ยผมก็รู้แล้วว่ามันคิดมันมันมีสภาวะอันหนึ่งพอสติผมรู้ปุ๊บมันก็ดับไปเลยจนบ่อย บ่อยๆจนรู้สึกว่ามันมีการรู้ส่วนหนึ่งแล้วมันมีความสังขารปรุงแต่งอีส่วนหนึ่งมันเหมือนอยู่ห่างๆกันทีนี้มันก็รู้สึกว่าดเดิมทีเราคิดว่าตัวเราเป็นผู้คิดแนตะ่จริงผู้คิดเราไม่ใช่ผู้คิดแล้วความคิดเป็นที่สืบรู้แล้วมันก็มีการรู้อยู่อีกส่วนหนะึ่ง ก็ก็ฝึกมาถึงจุดนี้อยู่ประมาณสักสักช่วงนั้นก็ปีปีสองปีกว่าแล้วก็มาเห็นสภาวะอย่างนี้อยู่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์แล้วหลังจากนั้นเหมือนกับกําลังมันตกไปไมนกําลังตกไปเพราะท่านลงไปคิดแล้วนะ่ะท่านท่านทิ้งรู้ทิ้งรู้อืมทิ้งรู้ถ้ท่านจะไม่ทิ้งรู้กําลังไม่ตกถ้าทิ้งรู้พ้าทิงรู้ไปมันเลยกําลังตก ครับก็คงไปขาดทีนี้ผมก็<บ>ไปไม่ถึงจุดที่ว่าจะอธิบายตรงนั้นแต่ว่าผมโถ้ช่านเริ่งรู้ไปแล้วถ้ากจะเริ่มมาสตาร์ทใหม่มาหาผมไหมครัมันก็เลยยังไอ ต, ตรงนี้อยากเข้าใจแล้วพอดีพอดีว่าเอ่อพอพอมันมันเหมือนกับว่าจะเป็นที่ร่างกายหรืออะไรไม่ทราบมันเหมือนกับว่าก็มีอาการที่แบว่า มันมัวจนผมก็มองไม่เห็นสภาวะชัดเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าจะให้ไปรู้ความมัวเนี่ยมันต้มันก็ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้รู้ความมัวไที่ท่านไม่สบายเนี่ยกดเพราะว่าไม่ใช่ท่านเอาตัวท่านเนี่ยไปรู้ความไม่มีอะไรหรือรู้ความมีอะไรคือรู้ความมัวแล้วก็รู้ความว่างรู้ความโปร่งความโล่งความเบาสบายความว่างท่านเอาตัวของท่านเนี่ยไปรู้ครับไปรู้เหล่านั้นเน่ะ ท่านทำอย่างเนี้ยท่านเลยเริ่มไม่รู้อะไรโอ้มันไม่มีอะไรเป้าหมายถูกรู้คือมันว่างๆมันสว่างๆมันไม่มีอะไรพอเป้าหมายพวกเนี้ยมันหายไปท่านเลยเริ่มท่านเลยบอกว่ารู้สึอว่ามันอ่อนแรงลงแต่ความจริงไม่ได้อ่อนแรงเฉพาะกำลังจิตนะของท่านเนี้ยร่างกายท่านป่วยด้วยเลยเพราะอะไรท่านปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติผิดคือท่านเอาตัวของท่านเน่ะ ไปรู้เหมือนกับตอนเนี้ยเวลานี้ยตอนเนี้ยมันดวงอาทิตย์มันตรงนี้ใช่ไหมดวงอาทิตย์ินตอนบ่ายเย็นนี้ไหมแสงเนี้ยจะดูแสงมันรอดเข้ามาเนี้ยมันสว่างมากเลยเหมือนกับภายในจิตของท่านอ่ะพอท่านปฏิบัติไปเริ่มมีความสว่างเริ่มมีความว่างเริ่มมีความเบามีความสบายท่านแล้วเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปรู้เราเนี่ยคือเราเนี่ยก็จะรู้ความว่างความโล่งความโปร่งความเบาสบายความสว่างเหมือนกับตอนเนี้ยเนี่ยแสงอาทิตย์มันรอดต้นไม้รอดรอดสารสีมารอดจากไอรอดไอแผ่นโปร่งใสเนี่ย มาสว่างจ้าเลยถ้านก็เหมือนกับตัวท่านมองแต่กัอิตย like. ์เนี่ยแต่ภายในจะมองภายในใจของท่านอย่างเงี้ยท่าเลยไม่รู้อะไรเลยเพราะว่ามันสว่างมันว่างมันไม่มีอะไรเป้าหมายให้รู้มันก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับไอความรู้มันไม่ชัดเจนอะไรเพราะว่ามันกลายเป็นเบลอไปหมือนล้วมันเหมือนกับไม่มันเหมือนกับเป้าหมายที่รู้มันหายไปหมดค้ามัวไปหมด มันก็เลยก่อนแรงไปและในอันเนอเดียวกันร่างกายท่านก็อ่อนแรงไปเพราะว่ามันติดธรรมชาติของค่ายดีจนท่ต้องกลับมารู้ผู้รู้ตัวเรานี่เนี่ยเป็นผู้รู้ใครเราไปไปรู้เออแสงสว่างอรู้ความว่างความโป่งความโล่งความเบาสบายเนี่ยท่าต้องพลิกกลับมามารู้ตัวเองนี่รู้ตัวเองนี่แทนเจ้าตัวเองอ่ะไปรู้ความว่างความสว่างความเบาความสบายเนี่ยพอท่านพลิกกลับมารู้ตัวเองอะท่านจะหายป่วยเลยกลับมารู้ผู้รู้ใช่ใช่ กลับมาลูภูรูเนี่ยไอ้ภูรูเนี่ยมันจะว่าเป็นเป็นธาตรู้นะคือตัวเราที่ขันห้านี่เนี่ยแต่เราขันห้าเนี่ยไปรู้เวทนาเราเอาตัวขันห้าตัวเรานี่เปรู้เวทนาถ้าต้องกลับมาลูขันห้าตัวเรานี่เนี่ยคือตัวเรายังไม่ได้หมายถึงไอ้ไอ้ตัวเราเป็นตัวเป็นตนนะคือภาษาพูดให้เข้าใจกัน่แต่หมายถึงว่าเอากลับมาุูที่ขันห้านี่แต่เราท่านเอาขันห้าไปรู้เวทนาคือรู้สว่างว่างโลบวงบาวรรคคือไปรู้อาการของจิต แล้วมันเป็นอาการที่ท่านรู้สึกเป็นสุขมันเลยเป็นสุขเวทน า, ถ, าถ้าย้อนกลับมาเปรียบไปตรงที่รู้ความคิดเป็นครั้งคัเนี่ยผมผมควรจะรู้ยังไงคับผมรู้ตรงนั้นผิดด้วยหรือเปล่าเป็นผิดตอนนั้นน่ะท่านไม่ผิดท่านเด็ที่ตัดรู้ความคิดท่านเลยแม้ว่าที่พูดว่าเออมันดีๆเขาพอดีเขพูดกันเรื่องไปคิดปรงแต่งทางโลกคิดปรงแต่งเปนทํามเขาแยกเป็นสองแต่ท่านบอกว่าท่านไม่แยกสองอ่ะ ว่ามันคิดปรุงแต่งโลกหรือคิดปรุงแต่งธรรมท่านเห็นว่ามันเป็นความคิดหรือเป็นกิริยาอาการของจิตใช่ไหมหรือเป็นสภาวะพอมันเริ่มคิดทันก่อนรู้ปับมันหายเลยแล้วท่านหายไปปุ๊บก็เลยความคิดหายไปมันก็เลยเป็นความว่างอ๋อแต่มันมันไม่ใช่หายจะปนว่างครับมันมันก็มีความคิดผุดตลอดเออเอผุดตลอดแต่จริงๆแล้วผมยังไม่เจอสภาวะความว่างเมืน่างเนมันมันผุดตลอดแต่ท่านเนี่ะแล้วท่านบอกว่ามันเริ่มผ้ามัวมาก็ถูกต้องอ่ะ ก็น่นแหละไอ้พรามัวนั่นแหละคือไอ้ความคิดที่ท่านเห็นเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะท่านไม่ได้เห็นผู้เห็นนะไม่ได้เห็นผู้รู้แต่ท่านไปเห็นเนี่ยความพรามัวแต่ท่านดูสิว่าใครอที่เห็นว่าพระามัวเนี่ยผู้ตัวเรานี่ที่ไปเห็นพระามัวเนี่ยมันสำรับปัจคิดเลยแต่ท่านกลับไปได้เห็นตัวเราแต่ไปเห็นความพรามัวอย่างเช่นต้องบอกว่าไอ้ตังมือมันทําไมเนี่นเรามันอ่อนแรงไป กำลังของจิตก็อ่อนแรงไปกำลังของกายก็อ่อนแรงไปเราทำไมเจ็บป่วยเนี่ยท่านไม่เห็นตัวท่านที่กำลังบนไอ้ตัวขันห้าเนี่ยมันบ่นเราไม่เห็นตัวขันหน้าที่กาลังบนแต่เราเห็นไอ้ไอตัวผ้ามัวหรือว่าเราป่วยหรือเราเป็นอะไรเนี่ยแต่ท่านไม่เห็นว่าตัวเองกำลังบนนิ่งนะมุงมงมุ่งมิมไม่เห็นตัวเองควรปฏิบัติแบบเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นเออ ก็่เห็นแต่สภาวะเห็นแต่ยังอื่นแต่ไม่เห็นตัวเองเนี่ยในในช่วงที่เราโม่โม่ครับเราจะพลิกมาดูไอ้ไอ้ที่ราบ่นในใจใช่ไหมครับอืมพลิกจากดูมัวมาดูบ่นเออถูกต้องถูกต้องแทนที่เราไปดูโัวดูโป่งดูร่งดูเบาดูว่างดูสว่างดูมัวม่ดูเบอร์เบอร์ดูหนักหนักดูอาการทึบๆึบแทนที่ไปดูอย่างนั้นเนี่ย ดูไอตัวผู้รู้เนี่ยไอตัวเราเนี่ยที่ไปรู้มันไปรู้อาการพฤตาการเหล่าเนี่ยแล้วก็บ่นมันก็มึในใจแน่แนะมาดูไอตัวเราเนี่ยที่มันบ่นเนี่ยเราเราพลิกจากมัวมัวซึมๆึมาดูไอตัวรู้ที่รู้ว่ามัวซึมใช่ใช่ใช่ใช่เราอย่าไปสนใจอาการที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้ที่ที่บอกว่ามันมันมัวมัวซึมๆมันว่ามันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสว่างเนี่ย อย่าไปสนใจดูรู้เห็นอาการเหล่านั้นให้มารู้ตัวเราเนี่ยผู้ไปรู้อาการเหล่านั้ น, น, นแล้วไอ้ตัวเราที่รู้อาการานั้นมันจะบน่บนพูด ก, ก, ก, ก, ก็มันมมันมันมะันมัน่ันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันนมนมันมันมันใจนมันมัอมันมนมั น, ในใมั น, น, นนะมันมันพูดอันมนันมันมันมันมัมันมันมันมันมันมันมงนมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมันมนมดนยันมนนมันมันมนมันมันมนมันมันมันมันมันมนมันมนมันมันมนนนมันน ไอตัวที่รู้ว่าตัวรู้ที่บ่นเนี่ยคืออะไรครับเมื่อไปหาไอ้ผลอย่างนั้นไปงานงาน่ะถ้าไปหาไอ้ผลนั่นน่ะท่านก็จะมาท่านก็ต้องรู้ไอตัวที่มารู้แล้วที่มันบ่นนั่นแหละที่มันพูดว่าเอได้ใครว่ามารู้มารู้ไอผู้ที่บ่นอีกเนี่ยได้ผู้ที่บ่นเนี่ยมันคือใครนาะใครที่มารู้ไอผู้ที่บ่นเนี่ยท่านต้องมาเห็นไอตัวไหนที่อีกอะไม่ใช่ว่าไปเห็นไอไอตัวผู้บ่นแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านมาเห็นตัวท่านบ่นแล้วนะ ถ้าสมมติว่าท่านท่านท่านไม่สนใจอะไรเออสถาวะที่มันโปร่งโล่งเบาสบายมันสว่างมันแน่นมันพึบมันเบอเบอท่านมารู้ไอตัวเราที่ไปรู้ไปรู้อาการอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไปเห็นตัวเราเริ่มบ่นแล้วไปเจออาการอะไรว่ยมันก็พูดอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวมัมีมมีอาการอาการถูกใจไม่ถูกใจเราก็จะเพิ่งพูดอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่มีหรอกไม่พูดมันจะคิดนย่างนี้มันก็จะพูดอยู่คนเดียวแต่พอเรามาเจออย่างนี้แล้วนะพอเรามารู้ตัวเราเองนะ เป็นยที่ดังเนี่ยอ่าแล้วใครว่ามารู้อีกมารู้ตัวเราอีกวะเนี่ยเออ <c oughs> ตอนแรกเราตัวเราไปรู้เอาได้ตอนนี้ใครมารู้ตัวเราแต่ท่านดูให้ดีนะไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันบนต่อเข้าใหมเ้าใจไห ม, ม, มไม่ผมเข้าใจแต่ว่าผมผมจะขอโอกาสถามว่าอย่างอย่างช่วงที่เป็นได้มากเนี่ยอย่างตอนปีสี่ปีห้ามูลเนี่ยผมดูไม่รู้เรื่องแต่พอมาสว่างก็ดูได้นะ ตอนเริ่มหัดคําเลยมมือผก็ดูไม่ได้ทีนี้ผงจะถามว่าถ้าเรามีโมหะมันจะทําให้เราไปรู้ความคิดยากขึ้นนหมโมหะก็คือนี่นยท่านหลงหลงหลงมันหลงหล ง, ลงคิดหลงเพลินไปกับเนี่ยหลงรู้เนี่ยไม่หลงทั้งหมดแหะคือไอ้ที่ท่านหลงเนี่ยท่านหลงไปรู้แต่อาการตัวรู้แตไไไ่ไม่รู้ตัวเองเนั่นก็คือหลงผงคิ่เข้าใจที่ผมถามคือคือทุกคนที่ผมถามผมก็ถามว่าตอนเขาง่วงเนี่ย เขามารู้ความคิดได้ยากขึ้นไหมทุกคนบอกว่ายากขึ้นถ้าเขารู้ตัวเองอ่ะไม่ยากหรอก um, แต่เขาไปไ<ห>รู้อ า, อาการยิ่ง่วงนะอะแต่ถ้าเขารู้รู้ผู้รู้อยู่เรื่อยๆ เ, เนี่ยมันไอ้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอาการง่วงเนี่ยมันจะกลายเป็นสมมุติว่าเอ๊ท่านนั่งอยู่นี่มัน ม, มันมีของที่ใกล้ตัวท่านที่สุดใช่ไหมของที่ที่ที่ใกล้ตัวท่านอันดับถัดมาของที่ใกล้ตัวอันดับตัดมาจนทั้ ง, งของที่อยู่ปลายโต๊ะเนี่ยคือของที่ใกล้ตัวท่านมากเรื่อยๆแต่นี้ สภาพว่าอันแรกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่านไปรู้เย่างเชนว่ารู้ถุงกระดาษที่อยู่บนโต๊ะนั่นเลยเนี่ยมันเป็นสภาว่าว่างโล่งมัวๆอะไรก็ตามมันก็จะมีเอ้ที่ไกลตัวมาอันดับสองเนี่ยสมมุติเนี่ยมันก็จะไปรู้ปุ๊บมันก็จะพูดอะไรแล้วก็ตัวมันก็จะง่วงง่ไอ้ผู้รู้เนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยพอเราไม่เห็นตัวเราตัวเราก็ไปรู้นั่นเราไม่เห็นพอไม่เห็นตัวเราตัวเราก็จะง่วงงวงแต่ละใครมารู้ไอ้ตัวเราที่ง่วงๆวงอีกมันก็จะเป็นไอ้ที่ไกลตัวอันดับสามเข้ามา เข้ามาเรื่อยๆมันก็มันก็จะพูดอีกเนั้นไอ้ความง่วงอะไรมาเลยกลายเป็นอยู่อยู่อันดับท้ายๆไปแล้วเพราะไอ้ตัวเราเนี่ยที่เป็นคนรู้ความง่วงเราก็ไม่เห็นตัวเราอีกมันไปเห็นของง่วงแล้วขบวนพูดว่าอะไรนี่สมัย่วงนี้วะวันนี้สมัยเป็นง่วงไม่เราเบิดงนี้วะเนี่ยวันนี้เรามองเลยไม่ค่อยเห็นเลยไอ้เทียนบอกว่ามันง่วงอย่างเนี้มันเลยมองอะไรไม่เห็นแต่มันบนงุ้งิ้งมาทำไมไม่เห็นว่าตัวเองที่นบนวเฮ้ยมันง่วงอย่างนี้บนมองอะไรไม่เห็นเลยผมจะเรียนว่า ที่ผมคุยกันเองเนี่ยคือพอเงาห่วเนี่ยเราจะไปดูดูความคิดเนี่ยมันยากขึ้นครับคือใช่ไหมเหรอนะอาจารย์ให<ท>้ผ้ากับอาการง่วงมากไปเลยไม่รู้ว่าไอไออาการง่วงมันถูกรู้อยู่ใช่ถูกต<ร>้องถูกต้องถูกต้องถูกต้องคือ ค, อคอเหมือนว่าเราจะดูตัวสองตัวเนี่ยตัวไหนก็ได้แต่ความที่มันมีโมหะเนี่ยมันรู้ยากขึ้นทั้งสองตัวไอโมหะของท่านหมายถึงอาการง่วงครับครท่านเอาอาการง่วงเป็นโมหะแต่ผมเนี่ยกลับพูดว่า อาการ Studio ที่ท่าไปสนใจว่าอาการง่วงเนี่ยให้ไม่สนใจอาการง่วงให้สนใจไใ้พู้ที่มารู้อาการง่วงเนี่ยแล้วก็เฮ้ยมันมันง่วงมากแล้วจะดูได้ยังไงวันนี้ผมดูไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่เห็นตัวเองที่กําลังบ่นเนี่ยแต่ถ้ามาเห็นตัวเองพวกไออาการง่วงมันไม่มีความหมายต่อใจของท่านเลยยกเว้นขันห้ามันง่วงมันต้องการพักจริงๆโอ้อย่างงั้นมันไม่เคยง่วงหรอก <ผ>คือมันจะพูดมันก็นจะหลับไปเลยแต่มันรู้อยู่ภายในมันก็รู้อยู่อาการนี้คือนิวรอนอ๋คือนิวรอนใช่ไหมครับก็คือก็คือนิวรอนเขาเพราะว่าเราเรามันรู้ผิดตัวไงผิด ม, มิตรเราไม่รู้ตัวใ<อ>นแต่เราไปรู้อาการตัวนอกตัวนอกท่านพุทธ พ, พุทธเจ้าเนี่ยเราข้ามไม่ได้นะที่บอกว่าให้รู้กายในกายกายในกายเนี่ยรู้จิตรู้รู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยคือไม่ใช่ว่ารู้กายเวทนาจิตธรรมนะ ถ้าไปดูในพุทธพจน์มหาตติปฐานสี่อ่ะคือให้รู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้รู้ตัวในไปเรื่อยๆให้รู้ตัวในไปเรื่อยๆผมจะบอกว่าเนี่ยเหมือนของที่วางที่โต๊ะเนี่ยท่านดูสิมันมีของตั้งหลายระดับที่ที่ที่เขา้าจมเข้ามาถึงตัวท่านเนี่ยนู่นนี่ยของที่อยู่ปลายโต๊ะนู่นเนี่ยแล้วก็อยู่กลางโต๊ะแล้วก็อยู่ถัดมาถัดมาถัดมาจนกระทั่งของที่มาอยู่ชิดท่านที่สุดและที่สุดก็มาถึงตัวท่านผู้รู้นี่เอง เนี่ยคือตัวเราเนี่ยที่มันคนรู้เนี่ยมันจะเป็นของการที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วนี้เวลารู้รู้เนี่ยเราก็จะรู้แต่อาการเดียวที่ถูกรู้แต่เราไม่รู้ไอตัวไปรู้ไอตีตัวผู้รู้เลยไปในไอตัวผู้รู้เนี่ยพอไปรู้อะไรแล้วมันจะต้องคิดอะไรนึกอะไรตึกตองอะไรปรุงแต่งอะไรวิเคราะห์วิจารณวิจัยอะไรในสิ่งที่ถูกรู้คือไปรู้อะไรผู้ตัวมันเนี่ยจะต้องคิดนึกตึกตอนปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารวิจัยในอาการที่ถูกรู้หรือเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ไปรู้อย่างนู้นว่าตาไปเห็นไปเห็นคนข้างนอกเนี่ย ไปเห็นคนนอกคนนอกเนี่ยเปเห็นคน้างนอกเช่นไปเห็นสาวสวยข้างนอกเห็นสาวสวยสวยข้างนอกเนี่ยแทนที่เราเนี่ยเป้าหมายของความรู้เนี่ยจะไปรู้ตรงแต่ที่ผู้หญิงสวยที่ที่ถูกรู้ข้างนอกแต่พอไปรู้อะไรเนี่ยมันต้องรู้รู้เข้าไปข้างมันต้องรู้รู้ในไม่ใช่ว่ารู้นอกคือไอ้นอกก็คือว่าผู้หญิงที่ถูกรู้รู้ในก็คือรู้ใจเรานี่ไงรู้อะไรก็มารู้ใจเรา พอรู้ใจเราอะเราคิดอะไรมีอารมณ์มีอารมณ์ลาคะมีอารมณ์อมพอใจมีอารมณ์ติดใจยินดีกับผู้หญิงคนนั้น <Nein. S 1> แล้วเราก็ไอตัวผู้รู้เนี่ยมันก็คิดอะไรกับเขาคิดเปยังไงมันก็รู้อีกแทนที่จะมันเป้าหมายรู้แต่ผู้หญิงเนี่ยแต่มันรู้ที่ใจว่าใจเนี่ยคิดอะไรกับเขามีอารมณ์อะไรกับเขามันรู้ทั้งความคิดรู้ทั้งอารมณ์วันนี้ขอคุณรู้ว่า มีความคิดมีอารมณ์ไรกับเขาเนี่ยแทนที่คุณจะรู้แต่ความคิดรู้อารมณ์คุณต้องรู้ในเข้าไปอีกในข้างในอ่ะในในในของในในของในไปเรื่อยคือผู้หญิงตัวแรกเนี่ยคือนอกแล้วก็พอคุณรู้ผู้หญิงปุ๊บไอ้จิตเนี่ยจิตใจของคุณเนี่ยมันมีความคิดมีอารมณ์อะไรกับผู้หญิงนั้นนี่มันก็คือในเข้ามาคือในเข้ามาตัวเราแทนที่จะไปรู้แต่เขานอกก็รู้ตัวในเข้ามาตัวเราแต่ไม่ใช่ว่าตาไม่มองเขานะคือตาก็มองเขาอยู่เนี่ยเห็นเขาอยู่แต่มันรู้ว่าใจเราเนี่ยกาลังคิดมีอารมณ์อะไรกับเขาแทนที่จะ เห็นแต่เขาตรงนี้พอท่านเนี่ยฝึกจนชํานาญเนี่ยไม่ว่าท่านจะเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเนี่ยท่านมารู้ที่ประตูในคือประตูใจที่ลูกพุทาว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจเนี่ยคือท่านรู้อะไรเนี่ยที่เป็นอายะธนภายนอกเนี่ยแล้วท่านต้องรู้ประตูใจไปพร้อมกัน ว่าท่านมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรต่อต่อสิ่งนั้นพอใจไม่พอใจมีอารมณ์อย่างไรมีความคิดติดต ong กับสิ่งนั้นอย่างไรมีความคิดปรุงแต่งสิ่งนั้นอย่างไรอ น, นี้มันก็เป็นชั้นไหนเข้ามาแล้วคือแทนที่จะรู้แต่อยายตนะภายนอกก็ในขณะนนที่รับรู้อยายะภายนอกก็รู้พร้อมๆกันเลยหรือรู้อายตนะภายใน hari? เป้าหมายจริงๆคือรู้อายะตนะภายในรู้ในในในแทนที่จะรู้แต่ข้างนอกอยายะภายนอกก็รู้ใน นี่พอท่านรู้ความคิดอารมณ์ความรู้สึกภายในใจของท่านหรอมีอะไรต่อเขาพอท่านรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่สุดท้ายนะเวลาเรามารู้ว่าเรามีความคิดมีอารมต่อเขาเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยมันคิดอะไรอีกใจเราเนี่ยที่ไปรู้ไปรู้ไอ้ความคิดอารมณ์ว่ามีอารมณ์อะไรต่อเขาเนี่ยมันปรุงไม่ยังไงมันปรุงแต่ความคิดอารมณ์ได้ไงวอส มันไม่ดีนะไอเนี่ยมันนิจัยเสียทําอย่างเงี้ยมันนี่มันเป็นปัญหานะนี่มันเป็นกิเลสนะไปคอยกําจัดมันหรือว่าหรือว่าไปเพลินไปหลงไปตามอารมณ์นั้นไอมันกำลังหลงไปตามอารมณ์นี่แล้วมันก็จะบน่นจะพูดพยายามจะช่วยตัวเองหรือมันจะหลงไปหรือพยายามจะช่วยตัวเองไม่ให้หลงไปตามอารมณ์มันก็จะงงงงงงงงงงในใจแค่รู้ทันไม่ใช่เราก็มารู้ไอตัวนี้รู้ตัวไหนไหนี่แทนที่จะไปรู้แต่ความคิดอารมณ์เนี่ย มันบอก้ยอนี้ไม่ดีนะนี่มันอารมณ์ราคะเนี่ยมันก็ปุงขึ้นมาว่าไปอารมณ์ราคาแต่อารมณ์ราคะมันไม่ได้พูดตัวมันมันมีแต่อาการแต่ผู้รู้มันปรุงเลยว่านี่อารมณ์ราคานะมันไม่ดีนะมันปรุงใหญ่เลยไอผู้รู้ตัวไหนเนี่ยเราก็รู้ไอตัวไหนเนี่ยที่มันปรุงวานี่อารมณ์ราคะเนะนี่มันไม่ดีมันก็ปุงใหญ่เลยเฮ้ยมันเป็นพระเออเป็นพระเป็นแค่อย่างงี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีนะอะไรเงี้ยไอตัวไหนเนี่ยคนปรุงแทนที่เรารู้แต่ความเนี่ยผู้หญิงนี่ชั้นนอกสุดแล้วก็มารู้ชั้นในก็คคคืออใจเเนนีีี่่ยรรราาามมมวู้ึกิด์ ต่อผู้หญิงคนนั้นนั้นไอ้ความรู้สึกไอ้คิดอารมณ์ต่อผู้หญิงคนนั้นน่ยมันเป็นชั้นใหม่เข้ามาแต่ไอ้ผู้ที่มารู้เนี่ยมารู้ไอ้ความคิดอารมณ์เนี่ยไอ้ตัวนั้นก็ปรุงต่ออีกปรุงต่ออีกเราก็รู้ในในในนี่ก็ามาอีกไอ้ตัวในเนี่ยที่มันปรุงต่อเนี่ยบุงว่าเฮ้ยเราเป็นพระไปคิดอย่างนี้ได้ยังไงมีอารมณ์นี้ได้ยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันรู้ปุ๊บมันปรุงเลยเราก็รู้ตัวไหนเนี่ ย, ย, ย, ด, ยงงดูยมมดย น, น, น, น, น, น, ดนี่มันจะมีไอ้ตัวไหนเข้ามาอีกไอ้ตัวไหนที่มารู้ สมมติว่าเราสติเรเร็วมากนะอืที่เองปรุงเนี่ยเองเนี่ยก็ไปว่าเขาปรุงเนี่ยเองก็ปรุงเนี่ยเองกำลังปรุงอยู่เนี่ยเช่นทิศที่ไอ้ถ้าเรามีความสติเรเร็วมากใช่ไหมไอ้ตัวไหนก็ปรุงต่ออีกไอ้ที่เองไปไปว่าเขาอย่างนี้ว่านี้มันเป็นราคาเป็นตัวแบไม่ดีนะเราเป็นผ้าอย่างนี้เองเองก็กำลังปรุงอยู่นะเนี่ยไอ้ตัวที่พูดอยู่เนี่ยตัวไหนก็ไปอีกอ่ะมันก็ปรุงเราก็เห็นมันอีกเห็นไอ้ตัวไหนเนี่ยไหนไนไหนไหนไนไหนเรื่อยไปอย่างเงี้ยไม่มีที่จบสิ้นนะ แล้วบอกว่าไปจบสิ้นที่ไหนไม่มีหรอกมีแต่สักแปลว่ารู้ในในในในในในในในในในทุกขณะปัจจุบันอย่าไปหาที่จบสิ้นบางคนเนี่ยไปคับแค้นใจมากเลยว่าจะทําให้ไอ้ตัวในเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วไม่มีการปรุงต่อนะคือไม่ว่ามันจะปรุงกี่ชั้นกี่ชั้นกี่ชั้นไม่มีไม่มีหมดสิ้นหรอกมันไปรู้อะไรมันต้องเป็นปรุงมันรู้อะไรปุ๊บมันต้องปรุงรู้อะไรปุ๊บมันต้องปรุง แต่เรามีหน้า hey? ที่สักว์ตะวัรู้ไอตัวไหนไอตัวปุงไอตัวปุงปัจจุบันตัวปุงปัจจุบันตัวปุงปัจจุบันเรื่อยไปสักตะวัรู้เรื่อยไปไม่ใช่ไปตัดตอนมันเพราะตัดตอนอาการคนสื้อบื้อเลยเข้าใจแล้วว่ามีหน้าที่รู้อย่างเดียวอา่าใช่ใช่ใช่มีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้รู้อันไหนไหนไหนไนไหนแล้วไม่มีวันที่จบสิ้นนะที่จะที่จะรู้เนี่ยมันก็รู้สัตว์ตะวัรู้อย่างเงี้ยเรื่อยไปเรื่อยไปมีหน้าที่รู้อย่างเดียวแต่จะไปทําให้่มันจะต้องสิ้นตัวไหนที่จะต้องรู้อะไรแล้วไม่มีตัวไนปุงต่ออีก ผมเข้าใจครับทีนี้ผมผมขอถามไอ้กรณีที่ที่ที่มัวเนี่ยแล้วผมช่วงที่มัวที่ผมดูช่วงช่วงหลายวันมานี้นะครับก็คือตอนมัวผมก็คือเห็นความคิดบ้างเห็นมัวบ้างเห็นความหงุดหงิดความมัวบ้างไม่ชอบความมัวบ้างนี่ในในไอ้ตัวในเนี่ยไอ้นี่ถ้ารู้ตัวในเนี่ยครับไอ้ตัวจาย์ที่มันเป็นหงุดหงิดความมัวอาการมัวที่ท้าไปรู้ปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นนอก และพอท่านไปรู้อาการโมวัมวภายในใจมันก็เล่งหมกหิดกําคาญอาการมัวพยายามจะทําให้มันหายไปท่านก็มารู้เนี่ยรู้ไออาการหมีดขอมัวพยายามันหายไปนี่คือกึนไนเข้ามาอีกรู้ตัวไหนถ้ า, าอย่างนั้น <ๆ S 1> ในทางตอนปฏิบัติผมก็จะรู้เห็นผมรู้ตัวอะไรได้ผมก็รู้ได้เลยใช่ไมสามตัวสามสี่ตัวอะไรมันปรากฏผมก็รู้รู้ไปเลยชใช่ไหมใช่ก็รู้เนี่ยไอทุกข์เกียรติอาการในปัจจุบันที่มันไอตัวไหนเนี่ยไนที่สุดเนี่ยมันจะโผล่ปัจจุบันต้องรู้ทันอันปัจจุบันครับครับเพราะว่า ไอ้อนนอกเนี่ยมันจะเป็นอดีตเรืยไปไอ้ตัวปัจจุบันเนี่ยคือไอ้ตัวผู้ที่มารู้แล้วมันปรุงไอ้นั่นคือตัวปัจจุบันท่านต้องรู้ทันตัวปัจจุบันทุ้กระะปัจจุบันมันจึงเป็นเต่นี่ยพุทธะพุทธะเนี่ยคือรู้อันปัจจุบันเนี่ยรู้รู้รู้กิยาการจิตปัจจุบันวันก่อนที่ผมเรียนว่าถ้าให้ผมรู้บรู้อย่างนี้ได้เนี่ยแต่ผมนานๆรู้ครั้งเพราะว่ามันมันเหมือนกับมันมันรู้ได้ยากแต่มันมันมันนานรู้ครั้ง เป็นเงินเป็นอย่างนั้นก็เนี่ยมันปุ่มตลอดเวลา24ชั่วโมงอ่ะมันเหมือนกับเราเราไปรู้ทีทีเหมือนตอนไม่มัวไม่ได้ครับเป็นไหมเป็นคมันเป็นเพราะว่าเราไปเราอยากรู้เราก็เลยไปเพ่งจ้องมันไม่คืออาถ้าเราเราเพ่งเราก็รู้ทีแต่มันจะมีการเพ่งแต่ถ้าเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติเราจะนานๆดูครั้งใช่ไหมเป็นไมไม่ใช่ครั้งเไ็่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านยังเข้าใจไม่ถูกต้อง สัญญากระจายไม่ถูกต้องออคื อ, คอไอ้ที่ว่าสัตว์รู้เนี่ยสัตวร์รู้รู้รกิริยาการจิตอันเป็นปัจจุบันที่คือรู้ที่ผู้รู้อันปัจจุบันเนี่ยนันมันก็จะพงอันปัจจุบนันปัจจุบันเนี่ยแต่ท่านเนี่ยไม่สัตว์รู้ตามธร ร, รมชาติท่านพยายามที่จะไอ้ผู้รู้เนี่ยกาาลายเป็นตัวท่านไปนแล้วท่านพยายามที่จะให้รู้แล้วไปตั้งเป้าหมายว่ามันจะเป็นอย่างไร แล้มันไม่ได้อย่างใจท่านมาเลยท่านพยายามจะทําให้มั่รู้ในหะ้ให<ถ>้ <ๆ S 1> อย่างที่ได้รับฟังมาว่ามันจะต้องเป็นธรรมชาติต้องว่างเปล่าต้องไม่มีอะไรท่านพยายามช่วยตัวนนเองอยู่ท่านไม่เห็นไม่เข้าใจว่าท่านเอาผู้รู้เป็นตัวเราเราเป็นตั ว, <ม>ตวเราเป็นผู้รู้ท่านก็เลยมีอาการแย่มีอาการเบื่อมีอาการเหนื่อยมีอาการอะไรมันเป็นแต่ธรรมชาติของท่านรู้เป็นธรรมชาติของธรรมชาติของท่านรู้เป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของท่านรู้มันไม่ใช่ว่าเป็นตัวเราไปรู้เพราะมันจึไม่มีใครเหนื่อย และธรรมชาติขอาตรู้เนี่ยมันไม่มีเหนื่อยมันก็เป็นธรรมชาติที่ต้องรู้มันก็เป็นธรรมชาติที่รู้ตลอดอแหละแล้วก็สักแต่บารู้คือไอ้คว่าที่ว่ามันไม่สิ้นรู้หรอกเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่มีใครไปยึดไอ้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้อาการที่ถูกรู้แล้วมันไม่มีใครไปยึดผู้รู้มันไม่มีใครไปยึดผู้รู้ว่าไอ้รู้นี่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันเป็นธรรมชาติรู้มันไม่มีใครเหนื่อยหรอกแล้วแล้วอาการที่นานๆรู้ครั้งนี้ก็เป็นอย่างนั้นไหมหลงอันนั้นมัี่ยมันหลงมันหลงมันเเเเอาาาตัววรรรไปู้้แลก็หนื่อยล้รู เราก็บเบอือบ้างอะไรบ้งสติเราขาดปัญญาเราก็ขาดคือเรามีปัญญาที่กระจายตรงนี้โดยแท้จริงอย่างโดยใจของเราแลื่ปัญหาอย่างเงี้ยครับมันมเป็นมานานมาก <laughs> เราจะจัดการกับมันยังไงครับเราเราจะทํำยังไงคือบริหารพัฒนามันยังไงครับ <laughs> เรารู้ผิดรู้ถูกเราก็รู้ไปเถออย่าอย่าทิกรู้อพยายามสร้างกําลังใจขึ้นมาคือรู้มันต้องรู้รู้ไม่ใช่บอกใครรู้ถูกเลยเหรอกมันก็คือมันก็รู้ไปธถูกถแต่อย่าทิกรู้เดี๋ยวมันเข้าใจเองแหละ อืมครับอย่าทำได้ครับอย่างนั้นได้ครับรู้ถูกรู้ผิดรู้ไปก่อนเออรู้ถูกรู้ผิดแล้วรู้ไปทุกขณะปัจจุบันเนี่ยอย่าทิกรู้ทุกขณะปัจจุบันเลยเดี๋ยวมันรู้ผิดรู้ถูกมันก็ใจเองอะแต่ว่าทิกรู้ซะแล้วมันเลยไม่รู้อะไรเลยตอนเนี้ยเราไปเราไปเบื่อไปไปเซงไปอะไรก็เลยเดี๋ยวค่อยดูมันก็เหมือนกับว่าอะไรล่ะเหมือนทางโลกแหละอย่างคนเขาหัดขับรถเงี้ย หรือคนไปหัดเล่นกีฬาอะไรหรือหัดเล่นดตนตรีประเภทอะไรก็ตามเนี่ย mm hmm. แล้วเราเบื่อเบือ่อคือเข า, าเล่นไปเหอะเดี๋ยวต้องเก่งจนได้เนี่ยไม่ทําไม่เพียนไม่เลิกเล่นกีฬาถ้าชอบอันไหนก็เล่นไปไปเหอะหรือว่าเล่นดนตรีชอบอันไหนก็เล่นไปไปเหอะหรือว่าอะไรก็ตามที่เราชอบอ่ะเราไม่เลิกไม่ไม่เลิกไปลาเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเก่งแต่นี่เราไปเลิกรู้เราจะเก่งได้ไง เออที่ที่ตอนที่ผมเลิกก็มีตอนเดียวตอมันเพ่งไปแล้วแบบว่าเราอยากไปเราเร า, เร า, เราอยากไปรู้ให้ให้ถี่ขึ้นมันก็เลยไปจ้องจิตแล้วมันพอมันเพ่งนี่ผมจะต้องเลิกต้องหยุดให้หากเพงไม่ใช่อย่างนั้นท่าตอนเลยไม่เข้าใจเลยตอนนี้ก็มันปวดหัวแล้วมันต้องอยู่ด้ยวยครับไม่ใช่มันท่าเลยเห็นไอ้ผู้เพ่งเนี่ยมันก็เป็นตัวเราแ ล, แล้วใครเรามะรู้ว่าว่าไอ้ตัวเราเพ่งถ้าเลยเหนือผู้เพ่งอีก ถ้าไม่มีปัญญาตรงนี้ไงคื อ, อแล้วใครมารู้ว่าตัวเราเป้งวะนี่ถ้าไม่ปิ้งตรงนี้เองเ่าะครับคงช่เนี่ยเฮ้ยเนี่ยพอว่าพอท้านไปยึดเอาผู้ไปยึดว่าผู้เพ้งเป็นตัวเราไอ้ผู้รู้เป็นตัวเราใต้ผู้รู้เป็นธรรมชาติเน่ยแล้วไอ้ผู้รู้เนี่ยมันปวดหัวมันปวดหัวไม่ได้ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเคล็ดไม่ได้ไอ้ผู้รู้เนี่ยมันตึงไม่ได้ผู้รู้มันแสดงอาการจดจ่อไม่ได้มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลย แล้วที่ท่านบอกเมื่อกี้บอกว่าผมมันรู้สึกว่ามีมีไอ้ตัวเราเนี่ยเพ่งมากเกินไปไอ้ที่ตัวเราที่เพ่งมากเกินไปเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้แ ล, แล้ว <hu> ท่าเลยยิ่งท่านเลิกปุ๊บท่านยิ่งเข้าใจเอาไอไอตัวผู้เพ่งผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราเลยถ้าเลยบอกตัวเราแย่แหละไอ้ตัวเราผู้เพ่งผู้รู้มันปวดหัวแล้วแสดงว่าในใจของท่าน่ะตั้งสมมุติฐานไม่ผิดตลอดเวลาว่าผู้เพ่งผู้รู้เป็นตัวเราแท้จริงเนี่ยท่านแตะถ้าท่าน มีปัญญาปิ๊งตรงนั้นขึ้มาเน่ยอ้าวเฮ้ยแล้วใค่วะมารู้ว่าตัวเราเพ่งจนตึงเนี่ยไอผู้เพ่งที่จ้องอยู่เนี่ยใครมารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีกิริยาการเพ่งจ้องอกู่มันต้องรู้ว่าเนี่ยมันมีกิริยาการเพ่งจ้องไอ้กิริยาการเพ่งจ้องเน่ยมันหาได้ตัวเราไหมแต่มันมีเหนือไอกิริยาการตัวเราที่เพ่งจ้องคือมันมีผู้มารู้ว่าตัวเรากำลังเพ่งจ้องไอนั่นเนี่ยคือพุทธะหรือธาตุรู้เรามันใช่ไอตัวนั้นไม่มีเหนื่อย ไม่มีเครียดไม่มีตึงแต่ตัวเราผู้เพ่งจ้องเนี่ยมันเครียดมันตึงแต่ไอผู้ที่มารู้ตัวเร า, เเร า, าว่าเฮ้ยเราใครวะตึงเพง่งจนตึงเนี่ยใครวะให้มารู้เราว่ากาลังเราทําแอดเราทําอย่างนี้อยู่ไอ้นั่นเนี่ยคือพุท ธ, ธะคือคือผู้รู้หรือธรรมชาติของท่านรู้ที่ไม่มีตัวตวนไอ้นั่นน่ะไม่มีเลยแต่เราไปเอาไอผู้รู้เนี่ยเป็นตัวเราซะไปตายแค่เอาวิชาคือเอาไอ้ตัวเพง่งผู้เพง่งผู้จ้องตัวเราเราไม่เลยเข้าใจไหม